ผู้ใครในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันแรกครั้งแรกที่ตมาได้มีโอกาสได้มาอ่าบริษัท TOT ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําให้คนอ่าตาทิพย์หูทิพย์ก็คือบริษัทของพวกเรานเนี่แหละนทําไมต้องบอกว่าอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้ยินใช่ไหมต้องอาศัยพวกเรานี่แหละนี่แหละก็เรียกว่าตาทิพย์จริงหูทิพย์จริง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 เรานํำทำการสอนของพระเจ้าแต่ละบทละบาทไม่มีใครไม่รู้หลอกธรรมะเยอะแ ย, ยะมากมายที่พวกเรารู้นะแต่มันขาดอย่างเดียวท่านใครไม่รู้ศีลใครไม่รู้สมาธิไอสาภาวานาเนี่ยใครไม่รู้มาถามหน่อยเถอะรู้กันหมดใช่ไหมรู้กันหมดท่านศีลภาวานารู้กันหมดเมื่อเช้าหลวงปู่ท่านก็พูด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 มาได้ตัวไรก็เท่านั้นเข้าใจว่างั้นเถอะถามว่ามีความทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยทําไมเอ้าก็มันไม่มีใครที่จะไม่อยากได้ไม่มี ใ, ใครที่ไม่ต้องการเนี่ยมันต้องการหมดแหละแต่มันไม่มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยอย่างถามาซื้อหวยจะต้องการไหมตัวต้องการหมดจั่แหละซื้อหวยหนี่ยนะร้อยคนมีสักถูกสักกี่คนไหมไม่เออทําไมทําไมมันไม่ถูกอ่ะทุกคนก็อยากเนี่ยนั่นหละคือธรรมชาติ พรองถึง่าบอกว่าให้ทั้งใจทำงานทุกคนมีหน้าที่มดเราทำงานไต็มที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นะสองสมวันที่ผ่านมาก็อบรมพระเนยด่หนะ้าที่ของพระองค์เนนก็ง่ายนิดเดียวเตือง่ายนิดเดียวบินทาผาดปัดกวาดฉันเศษปัดกวาดเจ็ดถูเดินจงกลมนั่งสมาธิสดนมลนภาวนาเนี้ไม่ต้อทอะไรเลย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 ใช่ S <S <an> หไหมแล้วพ่อแม่ก็เอาใจทุกอย่างแม้ท้งชัวง่วทั้งต้องจํายำเย ง, งและเกรงกลัวงองลูกตัวกลัวทํำให้ําใจไม่ดุไม่ด่ไดาไม่ว่าไม่กลา่าวไม่ตีไม่เหมือนพวกเราสมัยยุคพวกเรายุคพวกเราต้องตีใช่ไหมธรรมาแก่แล้วนะ <c oughs> ม า, ายู่มากแล้วนะยุคนั้นต้องตีต้องดา่าต้องว่านะอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงลองปีที่พิจารณาลองดูนะชาวบ้านชาวชอ่องมื้อเช้านี่เองนะ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 เรียนลุงปู่เลยว่าปู่ครับเก้ากับผมทำไมไม่ชอบอยากจะเทศเลยครับลุงปู่ว่า ง, งั้นอันนี้มันก็เป็นพ่อลุงปู่ด้วยเหมือนกันนะที่ต้องได้เทศบ่อยนี่นะเออเราเป็นปลาว่า ง, งั้นกินอาหารเขากินอาหารอ่าชาวบ้านเขากินข้าวปลาอาหารชาวบ้านเขาเราต้องตอบแทนเขาว่า ง, งั้นพอเรามีอยู่ควาสามารถเราต้องได้เทศว่า ง, งั้ น, นก็คือเหมือนกับพ่อลุงปู่นื้อเทศวันนี้ตอนเย็นก็จะไปเทศอีกนั่นนี่นะวันนี้สองงานเพราะว่าต้อง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 ถิงนถ้าเราไปรู้นะมันเสียเวลาไม่ไม่ได้เสียเออที่มันเสียเวลาที่จะทํากิจที่สง่งมันไ ม, ไม่ไม่มีพลังสมิธเราไม่มีพลังกิจมันทำงานทั้งวันไม่หยุดไม่ย่อนทงไม่หยุดไม่ย่อนทำจนกระทบอะไรก็แม่ทำไมอ๋อเพราะว่ามันไม่มีกำลังเออไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆนิดๆแต่ น, น้อยมองงดนิดๆแต่ น, น้อยอกระเทือนหมดเลย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 ปี 30, สามสิบสามปีสามสิบเดพรรษาก็อยู่กับครูบาอาจารย์บางคนก็ถามว่าท่านทันหลวงปู่ไหมหว้วยแก่ไ น, นี้ทำไมจะไม่ทันวะเนื้อมองดูได้ไงดูไงว่าท่านแก่ท่านท่านทันหลวงปู่ไม้ใครก็ถามว่าทันหลวงปู่ไหมบางทีก็ไปยืนถามยืนเทา้าสเอถามแท่านท่านเจ้าวาดอยู่ไหมนะก็มันมีป้ายเขาป้ายป้ายเก่าๆเขามาติตว่าป้ายกุฎเจ้าวาดางเงี้ยเขาก็คิดว่าเราเป็นพระอุปถัมภ์ไงก็ไม่รู้